ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้คงพูดเรื่องโพชงเจ็ดประการสืบต่อไปวันก่อนได้พูดมาถึงเรื่องปีติสัมโพชงแล้วก็เ ห, เหตุให้เกิดปีติสัมโพชงในปีติเนี่ยจะดำรงอยู่ได้ตลอดไป มันก็ต้องเป็นระดับพระยาบุคคลตามปกติแล้วอาการปิติก็จะเด่นเนี่ยเวลาท่านเข้าฌานโดยเฉพาะยงิ่งคือทุติยฌานเพราะในทุติยฌานนั้นเขามีองค์สามคือมีปิติสุขกับเอกคตาแล้วเขาบอกว่าอาการปิตินี้จะเด่น สำนวนพระตาถาจารย์นันบอกว่าเป็นความสุขที่หวานใจยิ่งนักก็ เ, เป็นเรื่องปัจจตังคือคนที่เขาปฏิบัติไปถึงก็สัมผัสได้เป็นภาษาใจที่รู้กันด้วยใจพินิษฐ์พอพอเกิดปิติจริงจริงปิติมันจิตมันผู มันค้ายๆกัเราดีใจเนี่ยที่จริงก็ทําอะไรไม่ก็ถูกเท่าไหร่มันดีใจมากเกินไปบางทีตัวลอยหรือเปล่งวาจาสแสดงอาการกริยาบางครั้งอาจจะเหมาะหรือไม่เหมาะก็แล้วแต่ตอนพอถึงจุดหนึ่งนี่ยมัต้องปัจ ส, สถานิคือจิตสงบกายสงบเขาเรียกว่ากายปัจ ส, สถานิจิตปัจ ส, สถานิคือกายสงบวาจาสงบเสียก่อน ในข้อนี้รับสั่งแสดงว่าปัสติสำโพธชงย่อมเกิดขึ้นอย่างนี้คือมีอยู่เิสูตรทั้งหลายความสงบกายความสงบจิตกระทาในใจโดยแยบคายและเป็นการทำให้มากในกายปัสตินั้นนี้เป็นอาหารคือเป็นปัใจจัยให้เกิด ในปสัสสติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดที่เกิดขึ้นและย่อมเป็นไปเพื่อให้ปสัสสติสัมโพชงนมีความสมบูรณ์ขึ้นไปโดยลำดับคือทรงใช้คำเดียวกันที่เรียกว่าปิญโยภาพภัยบูนเจริญเต็มที่ลักษณะเหล่านี้ทรงใช้ใน อนุรักคณาประธานเกิดในสมาวิยมะในข้อที่สี่เนี่ยจะใช้ข้อความในลักษณะอย่างเดียวกันทีนี้ปัญหาว่าเราก็ดูที่จิตเหมือนกันถ้าปสัสติสัมโปโชงเกิดขึ้นในจิตก็ให้รู้ว่าในกาะเนเนยจิตมันมีปสัสติสัมโปโชงเกิดขึ้นแล้วก็ตรงสอนให้มองสืบสาวไปว่า ปีติสัมโพธิไม่ใช่ปสัสสติสัมโพธิชนที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นโดยประการใ ด, ดรกรใด็รู้ชัดโดยประการนั้นใน่รั้งนี้พระตถาจารย์ย้ำแนกแสดงถึงเหตุและเกิดปสัสสติสัมโพธิรงไว้เป็นเจ็ดประการที่จริงมันต่อเนื่องกับปีตินะครับเพียแต่ว่าถ้าเ อ, อ้อย่างอย่างนี้ปรากฏก่อน แล้วก็แสดงว่าการบริโภคโพนชนะทิ่ประนีตเขาเรียกว่าอาหารสัสปญยะคืออาหารนี้ให้ความสรดวกสบายเราเห็นว่าการรับประทานรับประทานอาหารบางคราวเนี่ยมันท้อง้าบันเสียไปเลยยุ่งยากมากเรื่องเรื่องอาหารเนี่ย โดยเฉพาะการเป็นพระนี่ไม่สามารถจะเลือกอาหารได้ก็เรียกว่ายังอัตภาพไปเป็นไปตามมีตามได้เขามีอะไรถาวายเราก็ฉันไปพรนใหญ่พระจะมีปัญหาเรื่องช่องท้องปัญหาเรื่องกระเพาะแม้พระพุทธเจ้าเองก็ยังมีปัญหาเรื่องช่องท้องเพราะว่าเราไม่สามารถจะเลือกอาหารได้ เมื่อถิงคราจะเป็นและต้องฉันก็ต้องฉันเพื่อชีวิตดำรงอยู่ได้เป็นเรื่องของน้ำมันหยอดเครื่องในครนี้ตะอธิบายว่าสมบพิกสุผู้บริโภคโชนะที่เป็นสปายะรถกลมกล่อมประนี ก, กด็ดีหรือผู้เสพประดูซึ่งเป็นสปายะในบรรดารดูหนาวรูร้อนระยาบท คนนี่คือพวกสัปปายะที่เราพูดไว้ในตอนต้นน่แต่ถ้ามาเน้นที่อาหารสัปปายะเป็นฤดูที่สบายคือถ้าอากาศมันหนาวเกินไปก็ไม่ไหวร้อนตัดเกินไปก็ไม่ไหวและในขณะเดวกนันยาบทเราต้องสม่ำเสมอใช้ยาบทใดยาบทหนึ่งมากไปก็ไม่ดี นั่งไปนั่งมากไปก็ไม่ดียืนมากไปก็ไม่ดีเดินมากไปก็ไม่ดีหรือนอนมากไปก็ไม่ดีมันต้องพยายามปรับวิทยาบทให้สม่าเสมอแก่โดยเฉพาะอย่งยิ่งการจเจริญกรรมาฐานส่วนใหญ่ไม่ใช่ใช้ยืนเดินนั่งนอนแต่น้อยแต่ก็ต้องนอนนั่นแหละแต่การนอนยังมีสติ ท่านบอกว่าถ้าได้อย่างเงี้ยก็เป็นสปายะคือสะดวกสบายสำหรับบุคคลผู้นั้นโอกาสที่กายสงบจิตสงบนี่มันจะง่ายให้เราสังเกตถ้าเราเจอหนาวจัดเนี่ยใจเราจะวิ่งไปไปอยู่ที่หนาวร้อนจัดใจจะวิ่งไปอยู่ที่ร้อนหรือว่า เกิดรับประทานอาหารก็ไปแล้วท้องมันลั่นท้องมันเสียท้องมันปวดก็ไปอยู่ที่ตรนั้นเนี่ยนั่นไม่อยู่หรอกพันตรงนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่หรือแม้แต่สถานที่เะครับสถานที่บางอย่างมันไม่เกื้อกูแลแม่ต้องเอาอะไรมากบางทีในแม้จะอ่านอ่านหนังสือเนี่ยสถานที่บางแห่งก็ไม่เกื้อกูลอนะ่ะ ใจไม่สามารถจะนิ่งอยู่กับหนังสือได้มันแกว่งพระัพพยาจึงมีการพูดถึงบ่อยท่านบอกว่าส่วนภิกษุที่มีลักษณะนิสัยเป็นหมาบุรุษเดียวยอดทนต่อระดูเรียบบททั้งปวงได้ทีเดียวในกรณีนี้ก็หมายถึงคนพิเศษพยัมที่เคยบอกนะว่า การวิบัติธรรมะเนี่ยถ้าทุ่งแต่เราไม่แกล่งพอเนี่ยมันต้องชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรแต่ถ้าปัจจแกล่งพอแล้วเนี่ยสำคัญเราคิดยังไงมันเป็นอะไรก็ช่างมันเขาองคัญวิธีคิดของเราวันก่อนฟังพระนุ่มรูปหนึ่งเขาบรรดาที่จริงเขาเก่งนะ คือมีคนก็ตั้งปัญหาว่าศยา์ศาสตร์มีจริงหรือไม่คนก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเชื่อว่ามีกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าไม่มีที่จริงก็สามกลุ่มเนะ่ยกลุ่มหนึ่งก็บอกห้าสิบห้าสิบแล้วก็ต่างคนแต่ก็ให้เหตุผลยกตัวอย่างเขาตัวเองขึ้นมาถึงเราฟังแล้วเนี่ยมันค่อนข้างเป็นอุปท า, านด้วยกัน อมายความว่าพวกที่เชื่อวไม่มีมันก็มีลักษณะเป็นทิตตุปาทานพวกที่เชื่อว่มีมันก็เป็นลักษณะของศีรบปบตุปาทานก็เสร็จแล้วถามพระพระตอบดีนะตอนต้นเนี่ตอบดีล้วบอกว่ามันมันดูที่ที่เราคิดยังไง คือผู้คนที่เชื่อทางศิยศาสตร์ศิยศาสตร์ก็ไม่สามารถให้คําตอบได้ทุกอย่างวิทยาศาสตร์เองก็ไม่สามารถจะให้คําตอบได้ทุกอย่างแต่การมองมันก็มองอยู่ที่ว่าเราจะได้ไประโยชน์อะไรจากความเชื่อยอย่างนี้ความเห็นอย่างเนี้ในข้็อธิบายพออธิบายไปมากเนี่ยมันไปกระทบอย่างหนึ่งคือคํานี้ที่จริงมาอยู่หลายปีละไม่เชื่ออย่าลบหลูก แกก็บอกว่าเป็นความคิดที่ผิดความคิดเราเนี่ยมันควรจะหายไปหมดในประเทศไทยคือพูดน้าพูดได้แต่ภาสนาล้มเป็นไปไม่ได้เหมือนกับที่ท่านนายกท่านเคยพูดนะ่ะเมื่อปีสี่เจ็ดเนี่ยบอกว่าอีกห้าปีเนี่ยคนจนจะหมดไปจากประเทศล้านปีมันก็ไม่หมดหรอกเพราะอะไรเพราะคนก็เกิดทุกวันนะฮะ ก็เกิดมาทุกวันเกิดมาแล้วไม่มีอะไรทั้คนหนึ่งมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่นี่การที่พูดว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนี่ยถามภาคปฏิบัติได้ปฏิบัติได้ไหมเอายกตัวอย่างว่าคนกำลังไหว้อยู่ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแล้วเราไม่เชื่อเราไปแสดงการดูหมิน่นศพประมาทไปชี้หน้าด่าทอคนอนั้นโง่ดักด้านอะไรตา่างๆลองดูสิ ไม่เชื่อคือไม่เชื่อเป็นเรื่องส่วนตัวแต่อย่าไปดูมินคนอื่นเขาคือมันไม่ใช่ความคิดแบบพุทธนะคิดอย่างนะั้เนี่ยคือความคิดแบบพุทธเด็กเขาจะมองคนที่เชื่อในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อด้วยความเมตตากรุณานะเข้าใจเห็นใจอดทนแล้วก็รอคอยมันคิดดูง่ายๆอย่างเนี้ย ดงงูง่ายว่าเด็กเนี่ยเขเชื่อว่าตุ๊กตาเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องอาจจะต้องนอนด้วยกันจะต้องไปไหนมาไหนด้วยกันต้องอุ้มตุ๊กตาเราไม่เชื่อเพรามันเป็นพี่เป็นน้องจะต้องไปนอนด้วยกันเราก็ดึงมาทิ้งเสีเอาลองดูสิทาไม่ได้เพราะงั้น คำพูดเนี่านี้เคยได้ยินทัานศีวการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันเนี่ยก็พูดในที่ประชุมที่ตึกบรรจัากการสมา ก, ก็นั่งอยู่ด้วยก็ขี้เกียจพูดนะฮะแต่้นก่เออเขาก็มองอะไรมุมเดียวคือความคิดบางอย่างมันต้องมองมาภาคสนามหลักปฏิบัติยังไงที่คำว่าไม่เชื่อจะลบหลู่เนี่ยควรจะหายไปจากประเทศเนี่ยหมายความต้องลบหลู่หรือ ย, ยังไง พย่ามให้หายมันหายไม่ได้วุทีิภาวะคนมันไม่ตาไม่ไม่เท่ากันคืาถเทียบแล้วเนี่ยมันเหมือนกับราวบันไดอะหรือตุกตา ร, ราวบันไดเนี่ยชัดมากคนเลิกเล่นตุ๊กตามากกว่ามากนะแต่ไม่หยุดเลยเด็กแกเกิดมาทุกวันแกก็ต้องเล่นตุ๊กต า, ายอยู่นั้นแหละเหมือนกับราวบันไดเนี่ยเราในยามปกติร่างกายแข็งแรงเราก็ไม่เกาะราวบันได ในตอนเราป่วยวเราก็ต้องเกาะเด็กแกต้องเกาะคนแก่ก็ต้องเกาะคือเราจะตัดสินจากคนมุมที่แข็งแรงหมไม่ต้องมีราบันไดหรอกมันไม่ได้ บ, บ้านไม่ได้อยู่คนเดียวมีคนอื่นก็ อ, อยู่ด้วยแล้วลักษณะาทางสังคมมันก็เป็นเช่นนั้นนคือการอิงอาศัยเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเราแต่ว่ามันเกี่ยวกับคนอื่น ยาตุ๊กตานี่มันเกี่ยวกับเด็กเราอาจจะซื้อตุ๊กตาแต่เราซื้อตุ๊กตาด้วยความกรุณาต่อลูกหลานเราจะไม่ซื้อด้วยโลภะเมื่อสติปัญญาเราสูงขึ้นเนี่ยเราจะไม่ซื้อด้วยโลภะแต่จะซื้อโดยเมตตากรุณาก็ซื้อท่านถามว่ายกเลิกตุ๊กตาให้หมดได้ไหมไม่มีทางฮะของเล่นเนี่ยมันจะเป็นชื่ออะไรเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็เปลี่ยนไปเถอะแต่ว่าเด็กต้องมีของเล่น คนแก่จะต้องมีที่เกาะ อ, อิงคนปู่จะบอกต้องมีที่เกาะ อ, อิงเด็กจะต้องมีที่เกาะ อ, อิงนี่เป็นเรื่องธรรมดาเลยเพราะการปฏิบัติมันจะมีลักษณะอย่างนั้นมันต้องมีอุปกรณ์เสริมจากข้างนอกไอ้คนที่แข็งแกร่งจริงๆสามารถอดทน อ, อดกลั้นอดทนท น, ท, นทานไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ทั้งหลายนี่มันมีไม่เท่าไรหรอกเพราะศาสนานี่ต้องเป็นประโยชน์เพื่อคนหมู่มาก คนนั้นไม่ใช้มันก็เรียกของเขาก็ดีแล้วแต่คนที่ใช้เนี่ยเขามีเราจะไปกีดการเขาเรืก่าการพิจารณาเห็นว่าตนและบุคคลอื่นมีการเป็นของตนที่ท่านเรียกว่ามัชตัปประโยชน์คะประสติย่อมเกิดขึ้นได้เพราะว่าใจที่มันวางเป็นกลางกาง จเจออะไรแรงๆข้าวก็เออว่ามันก็คงจะเป็นกรรมก็เราก็ทนเอาก็เราก็มีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมหรือว่าเว้นบุคคลผู้มีกาที่กระสับกะสายที่เที่ยวเบียดเบียนบุคคลอื่นอยู่ตลอดเวลาเออถ้าเราไปยุ่งกับคนเหล่านี้เราก็ไม่สมงบเหมือนกันเพราะบางครั้งบางคราวเนี่ยเราจะเห็นว่า คือชาวบ้านเนี่ยไม่ถึงกับสอนหรอกไม่ไม่ถึงกับห้ามแต่ตาพระนี่ห้ามเลยห้ามไปดูการซ้อมรบการรบหรืออยู่ในค่ายทหารแล้วก็ไปดูเขาฝึกรบอะไรต่างๆเนี่ยไปดูไม่ได้เจตนาไปดูไม่ได้นะฮะแต่ถ้าก็าติมนไปกิ จ, จลักษณะ เนว่าในพิธีสวนสนามเขานิมนต์ไปเป็นกิจลัหรัะพระผู้ใหญ่ไปประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้อะไรอะไรเขาก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งปัญหาสำคัญว่าทำยังไงจึงจะเว้นคือคือการรับประทานอาหารเนี่ยให้รู้จักประมาณใหญมากเกินไปและยายน้อยเกินไปเพราะทั้งมากแลน้อยนี่มีปัญหาได้กัน ถ้าหารมากมันก็จะง่วงกายจะหนักแล้วพอหารย่อยไปแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นกากมันก็มีปัญหาที่ช่องท้องแต่อาหารที่มากเนี่ยมันทำให้ร่างกายเกิดความกำหนัดต้องการในทางเพศมีปัญหาทาให้ใจไม่สงบมันก็จะแกว่งวิธีการฉันถึงเป็นอีกบทข้อแรกเลย หลันสมาธิในการสงบจิตมันจะไม่เกิดแล้วการมันก็ไม่สงบหรอกต้นแดงว่าเกิดในวันสองข่อทีนี้ถ้ามันน้อยทหารน้อยเนี่ยมันจะเกิดกุจกจะคือรําคาญหุดกิดรําคาญไปถึงจุดหนึ่งมันจะกลายเป็นโทสะพยาบาทเป็นโมโหขิวที่คนชาวบ้านเขาพูดว่าโมโหขิว คนต้องพยายามระมัดระวังเรื่องอาหารฤดูลักษณะทางอากาศปัจจุบันเนที่จริงเราก็ช่วยอะไรยเยอะคื อ, อยังนึกว่าการเจริญกรรมฐ า, านในป่าทุกวันเนี่ยมันทำยากขึ้นเรื่อยๆมันต้องเข้าไปอยู่ในป่าจริงๆแต่ก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะหลบหลีกคนในยาก หรือบ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปกระทาให้คนสิ้นเปลืองนะฮะการมีห้องปรับประกาศเ่มันก็ช่วยเราปรับระดูได้แต่ในขณะเดียวกั น, นก็สิ้นเปลืองแต่ว่าพอสภาพตังวมบีบคันเข้ามาในทั้งจุดหนึ่งมันก็จำเป็นกลายเป็นควอมจำเป็นไปแล้วก็อิริยาบถ อิยาปะทะสปายะอิยาบทเป็นที่สบายแล้วก็มีใจเป็นกลางอย่างที่บอกว่ามองในแง่ของกรรมคือเรื่องบางเรื่องมันก็ต้องทนน่ะคือไม่รู้จะว่ายังไงจะเอาชอบใจเราไปใช้ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้เมื่อไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากจะได้ เราต้องการที่จะได้ก็ทําใจยินดีในสิ่งที่เราได้ที่เรามีที่เราเป็นก็เป็นเรื่องของการทําใจหลีกเว้นคนที่มีกายกระสับกระส่ายดังกล่าวเนี่ยท่านบอกว่าให้คบหากับคนผู้มีกายสงบผู้มสมรวมมือสํารวมเทา้ามีจิตโน้มน้อมนําไปเพื่อให้เกิดประสิทธินรยบททั้งหลายนี่ยืนและนั่งเป็นต้นก็ดี เวลาสังเกตถ้าเราเข้าไปในที่ที่คนเขาฟังเทศเขานั่งจเจริญกรรมาฐานกันเนี่ยเราต้องเงียบ น, นะเราต้องบีบบังคับโดยอัตโนมัติหรือจำลองคล้ายๆเราไปในงานศพเนี่ยมันไม่สนุ ก, ก, ก, กขึ้นหรืหรอกเรากําลังสวดศพก็กํากลังจะเผาศพอย่างนี้เราไปก็ส่วนใหญ่ก็อย่างบะอย่งมากก็คุยกันเบๆ เพราะบรรยากาศเป็นบีบให้เราต้องปรับตัวอย่างนั้นจะถือว่าเป็นการเหมาะสมทีนี้เมื่อปสัสสติสมโพชงเนี่ยเกิดขึ้นอย่างนั้นภิกษุก็รู้ชัดว่าความเจริญเต็มที่ของปสัสสติสำโพชงจึงก็หมายความว่ามันถ้านสงบลึกเต็มเต็ เต็มเตมมันก็ไปน้นนลยนะฮโดยเฉพาะยิ่งคือจิตที่สงบแต่มันก็ไปถึงระดับพระอรหันต์ไปแต่ว่าในที่นี้เราก็พูดเฉพาะเรื่องพุทธชงพูดในตัวเหตุนะยังไม่พูดในตัวผลแต่ผลมันก็ไปอยู่ที่นั้นทางนั้นแหละก็เรียกว่าธรรมเทศนามีพระหัตเป็นยอดในประการต่อไปก็คือคือจิตมันจะเดินคือ คือตัวหลักจริงๆเนี่ยสติธรรมะวิจยะวิริยะนี่คือตัวหลักเจราะนว่าในการเจริญสมถกรรมฐานก็สตินำสรรมะวิจยะตามความเพียรครับเคลื่อนจิตพอเปลี่ยนเป็นวิปัสสนาธรรมวิจยะหรือสมัมปชัญญะหรือปัญญาเนี่ยจะตามจะนำสติก็ตามความเพียรก็ขับเคลื่อนจิต ทีนี้พอมาถึงปีติมันก็พวกเราโน่นแหละสามข้อเนี่ยก็ต้องระลึกรู้แล้วก็พินิษ์พิจารณา่จะหาทางให้ไปถึงปัสธินีทีนี้พอถึงปัสธิมันก็ไม่หยุดยู่ที่ปัจสถิมันก็พยายามที่จะนำจิตเข้าไปสู่สมาธิ สมาธิก็ถือว่าเป็นระดับสมถะนะเราจะเห็นว่าที่จริงมันก็เข้าสมาถะมาตั้งแต่ปีติปัสสธิสมาธิอุเบขาสข้อเนี้ยที่จริงก็คือสมาสมาธิตอนเราท่างฟังจะเห็นว่ากลายเป็นอริยมรรคห้าข้อไม่ใช่ห้าห้าข้อที่เป็นส่วนของจิตสิกขากับปัญญาสิกขาคือสติก็สมาสติธรรมะวิญญาสมาธิติสมมาธังกปะ อริยสมาวิยมามะออีกสีข้อก็คือสมาธิศีลล่ะศี ล, ล, ลไม่พูดเพราะถือว่ามันมีเป็นฐานอยู่แล้วก็เรียกเป็นการละไว้ในฐานที่เข้าใจอย่างที่คือยกตัวอย่างว่าเราอยู่กรุงเทพพูดออกไปนครสวรรค์เนี่ยไม่ต้องพูดเรื่องจังหวัดที่ผ่านแต่ในภาสนาจริงๆก็คือผ่าน ในส่วนของสมาธิสัมโพชงรับสั่งว่าตัวกรพิษูทัางหลายมีอยู่สมาตานิมิตสมมตานิมิตก็คืออารมณ์หรือเครื่องหมายนะคือหมายความถ้าเป็นเหตุเขาเรียกว่าอารมมนุปนิชานคือเพ่งดูอารมณ์เช่นอนุสติสิบอสุภาสิบอาเรปฏิกูลสัญญาเจตุท่าระวัดฐาน กระสินสิบอะไรเนี่ยคือมันเพ่งใช้สตินำทีนี้พอเกิดผลขึ้นมาเนี่ยผลทางจิตเนี่ยมันก็เรียกวันนี้เป็นเหมือนกันท่านบอกว่าที่เป็นอพยักคณิมิตการทำไวในใจโดยบาแยบคายและกระทำไห้มากในสมนิมิตนั้น คือจิตมันนิ่งอยู่ที่ที่อารมณ์ของสมสถนมันเช่นว่าภาวนาพุทโธพุทโธก็อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธเมันก็ทําให้จิตมันได้อาหารมันเกิดอัดาธาคือความยินดีนะแล้วเกิดธรรมฉันทะคือมีความพอใจมีความชอบใจจนถึงก็สัมผัสร ถ, รถก็เรียกว่ารถแห่งธรรมที่จะนะรถทั้งปวง พรสมาธิสามโพชงทียังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นหรือว่าย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ให้สมาธิสามโพชงที่เกิดขึ้นแล้วเข้าถึงความสมบูรณ์ขึ้นไปโดยดตั่ตัในในในความเป็นสมาธิสามโพชงเนี่ยส่วนเอตสก็คือเป็นสมถานิมิตส่วนอาการที่ปรากฏแก่จิตก็คือสมถะคือจิตเป็นสุบ ถามวรสงบจากอะไรคือสงบจากนิวรณ์ต้องฟังลองสังเกตนะว่าระดับพุทธบาลีพุทธวจนะเนี่ยไม่เรียกกรรมฐานเรียกว่าสมถโธจะวิปัสนาจะส ม, มะถะด้วยวิปัสนาด้วยก็เรียกเท่านั้นทีนี้ก็คําว่าชื่อว่าอั ยักษะนิมิตเนี่ยเพราะว่าจิตมันมันสงบคือไม่พุง่งอะไรเพราะสติไปตั้งระลึกอยู่กับเช่นนี้สมมติว่าภาวนาพุทโธหรือว่ายุบหนอพองหนอหรือแม่ติสมาร拉หังอะไรก็ตามแต่สมา阿หังเนี่ยคือพูดไปก็ขัดคอคนนะนะก็ คือมาอยัางยังไม่ค่อยไปติดใจอะไรเห็นว่าเขาสามารถชวนเด็กให้ไปนั่งสมาธิไปรักษาศีลแปลดได้เนี่ยก็บุญละแล้วก็ดึงเด็กออกจา ก, กบายามุกได้เยอะเราก็ไม่ไปคิดหยุมหยิมอะไรหรอกือถ้าพูดจริงๆเขาทำได้มากกว่าเรานะฮะทีนี้ถ้าหากสอนเป็นคนดีก็สอนไปเถอะ เดี๋ยวที่จริงมันก็ติดนะนะติดก็เชื่อว่าเขาพอใจตรงนั้นมันก็ยังไงก็ดีกว่าอยู่ระดับล่างเพราะนั้นไอการที่จะเกิดเป็นสมาชิเนี่ยมันก็มีปัจจัยเสริมในที่นี้ท่านแสดงไว้ถึงสิบเอ็ดประการคือทำวัตถุให้สะอาดหมดจด วัตถุก็คืออารมณ์เช่นสมมติว่าเราเอาดินมาเป็นเป็นเป็นมิตหรีอ ว, ว่าน้าเนี่ยก็เอาน้ำที่จะแล้วตักใส่ภาชนะขนาดขันโตหน่อยเอาขนาดหน้าสักแดนิ้วหนึ่งอ่ะกว้างสักแปดนิ้วหนึ่งก็โตดูได้ชัดหน่อยเวลาวางก็วางใหญ่ถึงก็กลมเพราะมันจะปวดคอ แต่อย่าท่าอย่าเพงกว็วางตรงเพราะว่าเรามองไม่ชัดมันก็ให้ต่ำกา ร, ระดับตาก็เพ่งมองน้ำก็ได้ลมก็ได้ไฟก็ได้นะช่องวาง่างต่างๆก็ได้สีต่างๆก็ได้เลยเปนี้ที่จริงพวกสีนี่เราทำเป็นวงกลมหรืออาจะทำเป็นกรองแล้วก็ทำเป็นวงกลมแล้วก็เอ า, เอากระดาษสีบิด สีอะไรที่สีแล้วมองแนละ้วมันเย็นตาดีนะฮะเช่นว่าสีเขียวอย่างเงี้ยที่แดงอาจจะนั่นไปหน่อยก็มองที่เย็นตาแล้วก็เพ่งดูเป็นรูปของเขาเรียกว่าในชั้นไดกก็บริกรรมลหยตังลอยตังหรือว่าสีแดงที่แดงไ ป, ไ ป, ไปพิจารณาไปทีนี้ต้องระคับประคองอินทรีย์ให้ดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็เจอมาแล้วนะฮะ เราเจไมอินสีเนยไปเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเป็นธรรมะระดับระดับนำ mm hmm. คือหมายความองค์ธรรมแต่ละข้อนี่เขาเป็นผู้นำคนไปสู่นิพพานได้นำจิตนะไม่จะนำคนนำจิตไปสู่นิพพานได้สัายตรติโอคังบุคคลจะข้ามพ่วงน้ำคือสังสารทุกข์ได้ด้วยสัทธา แสดงว่ามีพระหานบางรูปเนี่ยท่านท่านบรรลุ ด, ด้วยศรัทธาเป็นตัวนำเจนประวัคกระลิเนี่ยจิตมันน้อมลงด้วยศรัทธาแก่ขึ้นบนภูเขาคิตะกูดกระโดดลงมาให้ตายอ่ะนะน้อยใจพระพุทธเจ้าไล่พระจปรากฏพระองค์ให้นะท่านเพ่งดูเกิดดีใจเกิดปีติเกิดปราโมทเกิดสมาชิแล้วก็ไปเลยนะสติสัมยาเขาขึ้นมาเลย คมปีติได้บรรลุมรคนยกจิตเป็นสูว่วเพปัสนาบรรลุมรคผลเลืร อ, อยจากภูเขาคิจะกูดมอมกฟ้าพพุทธเจ้าที่พระเวรุวันนั้นก็แสดงให้เห็นว่าแต่ละข้อเนี่ยคือบางทีเราพบอธิบายคือดละมาเองมันไปติดใจในในตัวตนบุคคลมาก เพราะนั่นคือธรรมะที่มันเป็นรูปธรรมเวลาเรามานั่งอธิบายในหนังสือเนี่ยคือก็พูดถึงองค์ธรรมพูดถึงสภาวะของธรรมแต่ความหลากหลายในตัวคนเนี่ยมันไม่ใช่ข้อยุติอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าลูกศิษย์ภาษาริบุตรเนี่ยมีหลายคนที่ภาษาริบุตรเองแก้ปัญหาไม่ได้ เจน บ, บุตนาช่างทองภาษาดิบุตรท่านก็พูดเรื่องความปฏิกูลน่าเกลียดของสังขารร่างกายบุ๋งกลนแล้วฟันหนังอะไรแต่ละ่างเนี่ยเพื่อจะสำรอกกรรมราคาออกไปจากจิตเด็กหนุ่มแต่จิตทันไม่ไปเลยอ่ะคือในพระวินัยบิดกเนี่ยเหตีห้บอกตาจะปัญยากะกรรมฐานหลังจากบวชเป็นสามเณร หลังจากขอบันประชาเป็นสามเณรแล้วนะะแล้วก็บอกแต่ก่อนนี่แทจริงไม่ใช่บอกตรงนี้แล้วบอกตอนที่ปรุงผมแในการบอกตอนปรงผมเนี่ยพระท่าพระมารดบุตรบรรลุมัติผลตั้งแต่ปรงผมยางไม่หมดศีรษะเลยมันก็เหมาะสมสำรับท่าน่ะแต่ก็มีบางคนที่พอพูดเนี่ยแกข ย, กขยะขยะแขงกังเกียจ ก็บอกพระแต่มันักศึกษาบุตรเดี๋ยวอะไรมาพูดไม่รู้ไม่ไมเอาแล้วไม่นับถือพูดแล้วไปแล้วทุกขึ้นเดี๋ววิ่งหนีเลยเพราะนักบุญจ้าเลยให้ย้ายมาอย่าไปบอกตรงนั้นใจเขาอย่างคือเราไม่รู้ใจเขาอ่ะมันจริงจรงไม่ใช่ยุติอย่างอย่างที่เราว่าหรอกคือว่าการสอนมันก็สอนได้ในัยนยะใดนัยะหนึ่งเราบาทุกนัยมันก็ไม่ได้ก่ะ แต่ว่าเราก็มองมองในภาคสนามแต่าภาคสนามจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ลงตัวอย่างนั้น๋ย่าไปสูบบุตรในชักทองที่พระสารีบุตรสอนไม่ได้ด้วยอารมณ์ของอสุภะกรรมรรคผู้เจ้ามาสอนด้วยการดูดอกบัวที่ส่งนิมิตขึ้นจากทองคําให้เป็นทองคําสติก็ตั้งตรงนั้นธรรมวิญญาณก็เริ่มมิจฉาตรงนั้นวิญญาณก็ขับเคลื่อนจิตอยู่ตรงนั้น พอจิตมันนิ่งพระเจ้าก็ส่งบรรดาลให้ดอกบัวทองคํากรีต่างๆเริ่มเฉาเริ่มมองเริ่มเศร้าซึมไปแล้วก็แสดงอาการเหี่ยวเฉาไว้เห็นเป็นรูปธรรมใจทังกงตาไปแล้วบังเกิดวิปัสสนาขึ้นมาเองเห็นเร่งของไม่เชื่อเป็นทุกเป็นหน้าตาขึ้นมาเองลักษณะเหล่าเนี้ยบางทีมันไม่จําเป็นที่จะต้องไปเอา หอกบัวเพราะเราจะเห็นว่าพระยุรปันฑกเนี่ยพระเจ้าใช้ผ้าขาวพระยุรปันฑกคนละอย่างพระยุรปันฑกไม่ได้ติดในรูปสวยๆแต่ว่าเป็นคนหนุ่มนะฮะแต่ท่านโง่เถิดจิตมันไม่นิ่งพระเจ้าก็ใช้วิธีนั่งบริกรรมกับผ้าขาวระชวรนางราชวรนางผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าเปื้อนฝุ่นบริกรรมไปบริกรรมมา พระอาทิตย์ขึ้นสูงเหงือตัวเองก็ออกมือก็ออกเงือผ้าขาวก็เปื้อนลืมตากันดูเอา้าผ้าขาวสะอาดดิดำไปแล้วพอเห็นว่าโอ้ผ้าขาวสะอาดี่อาศัยร่างกายเนี่ยที่เป็นของปฏิกูลเห็นไหมท่านได้อสุภะจากผ้าขาวแล้วก็น้อมก็มาตัว ว่ะตัวเนี่ยเป็นต้นเหตุให้ภาคขาวมันคุณมัวส้ามองพิจารณาเจริญวิปัสนาปรุรุมกผลเป็นพระอางเลยก็ไม่ถึงเที่ยงวันนะฮะพระพุทธเจ้าให้ภาคขาวตอนชเช้าเลยไม่ถึงเทียงวันท่านท่านท่านมันดูได้พันแนวตรงโดการปรับอินทรีย์เนี่ยจริงๆถือว่าเป็นนัยยะหนึ่งแต่อย่าคิดว่าต้องอย่างนี้ตลอด มันต้องคิดที่ภาสนามด้วยแต่โดยเฉพาะบางทีเนี่ยเราไม่ได้เรียนในพระวินัยบิดกดโดยเฉพาะอย่างเช่าวบาเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสรู้ไปวินัยบิดกวินัยบิดกมันเป็นตัวอย่างนะฮะวินัยบิดกดเป็นเป็นตัวอย่างหรือเทระคาถาเทรีคาถาพุทธวงศจริยาบิดกดไหนเนี่ยมันที่จริงมันเป็นตัวอย่างมันเป็นธรรมะที่เป็นอาการ ทำปฏิกิยาต่อกายต่ว่าจ่าต่อจิตแล้วเป็นกุศลไปแล้วให้ดูแล้วเป็นอกุศลให้ดูแล้วมีผลเป็นถุกเป็นทุกข์ให้ดูแล้วเพราะตรง น, น, นั้นเราจะเห็นว่ามันก็หลากหลายเราใช้อะไรก็ได้ใช้ศรัทธานำก็ได้ใช้ความเพียร น, นำก็ได้ใช้สตินำก็ได้สมาธินำก็ได้ปัญญานำก็ได้เพราะถ้าเราไปใช้เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง สำนักเนี่ยฉันจะเอาอย่างเนี้ยสัมมาะหังเท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้เอาสำนักโน้นก็ต้องยุบหนอพองหนอเท่านั้นไอ้สำนักนี้ก็ต้องพุทธโอท่านั้นมันไม่ได้แล้วเกลียวพูดกว้างๆไอ้คนก็นเลือกเอาเองซึ่งแน่นอนว่ามีเป็นอันมากที่เราไม่เคยสัมผัสอะเราก็พูดไปตามหลักที่พระเจ้าทรงประกาศแสดงสั่งสอนไว้เรื่องบางเรื่องเนี่ยประตักษาอาจารย์ท่านอธิบายไว้หรือแม้แต่ บุรพาจารย์ในอดีตเนี่ยท่านอธิบายไว้เราก็สามารถที่ยกขึ้นมาได้แล้วก็เกาะหน่อยนะแตะการต่อไปก็คือการยกจิตในสมัยคือจิตนี่มันมั น, ม, นมันเวลาปฏิบัติเนี่ยเอที่จิตมันตกจิตมัน มันเหนื่อยหน่ายมันท้อถอยมันเซ็งมันหมดอะไรต่ายมันต้องพยายามยกจิตต้องปลุกปลอบจิตเขาเรียกว่าลีนั่นจิตคือจิตมันหดหู่ในขณะเดียวกันก็จิตบุฟุงอาจจะไปในเรื่องรักๆักใครๆเรื่องโกรธเรื่องฟุ้งไม่มีทิศทางเนี่ยต้องขมต้องคลมจิตก็ยังที่เคยยกตัวอย่างว่าจริงๆมันก็เหมือนกับเราขับรถอ่ะมันก็ไม่รู้ยังไงแหละ มันขึ้นอยู่สถาสภาพรถในขนานั้นท่นเพราะในบางขนาเนี่ยต้องทำจิตได้ร่าเรืงถ้าจิตมันมันเริ่มมันเริ่มจะจะตั้งหลักได้แล้วก็ทำให้เขาเร่าเริเพื่อจิตมันน้อมเข้าไปหาความสงบพอจิตมันนิ่งเราก็เพ่งดูที่ตัวนิ่ง เพ่งดูที่ตัวความนิ่งก็เรียกว่าเพ่งดูจิตในในคราวที่ควรเพ่งเพราะอะไรเมื่อไรอย่างไงเนี่ยมันอยู่ในจิตอย่าที่ผู้รลวงพ่อมีหาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่เมตตาเสมอไปหรืกอกรุณาเสมอไปหรือรมุติตาเสมอไปหรือเบคาเสมอไ ป, ออไปแต่สมบคนแล้วให้อยู่ด้วยหลวงพมีหาทั้งสี่ในกรณีใดคนอยู่ด้วยหลวพ่ ม, มีหาข้อใด ในกรณีของคนทั่วไปสาตวทั่วไปสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเราก็อยู่ด้วยเมตตาในกรณีที่คนเหล่านั้นแหละคนที่เราเมตตานั่นแหละแต่ก็ประสบความทุกข์เราก็อยู่ด้วยกรณุณาปรากฏว่าเขาหลุดพ้นจากทุกข์ได้โดยการช่วยของเราหรือว่าร่วมมือกันหรือคนอื่นก็ช่วยหรือเขาหลุดพ้นเองเราก็ชื่นชมยินดีกับเขา คนที่ประสบความสําเร็จดํารงอยู่มั่นคงในสถานะที่ตนได้ตนมีตนเป็นเราก็ทําใจสบายอุบเบกขาบนประสบผลกลังอยู่นอกวิสัยที่เราจะช่วยเหลือแก้ไขอะไรได้เราก็อยู่ด้วยอุเบกขาผลใจจะอยู่ในธรรมะตลอดแต่ว่าไม่ใช่ข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นบัญหาต ร, รงนี้แต่ละข้อเนี่ย คือเคยเค ย, เคยมองว่าสังคมสังคมไทยแม้แต่ในแวดวงของพระเราเองนะโอกาสที่เราจะคุยให้เป็นธรรมะเนี่ยมันหายากสุดๆุดเลยหายากสุดสุดเลยว่าประรบธรรมกันเดียวมาเจอปั๊บก็มาถึงมานั่งคุยธรรมะกันหลายปีมาแล้ว ไปในงานศพแผงหนึ่งที่วัดมกุฏกษัตริยาราม <c oughs> มิโยมเขาเข้าไปพระผู้ใหญ่นั่งอยู่หลายล ร, ปรูปรอพบศพมิโยมก็เกิดถามปัญหาจะว่ายากก็ายากแต่ว่าจะง่ายก็ง่ายปรากฏว่าท่านที่นั่งเนี่ยท่านตอบไม่ได้ไปน้ำมาเดิมท่านเรียกเลยกวักมือมานี่มานี่มานี่มานี แล้วก็บอกบอกเอา้าก็ท่า น, น, นกำอะไรอยู่เยอะแต่มันไม่ตอบเองบอกนึกไม่ออกอันนี้คือคือก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าเราไม่ค่อยได้คุยธรรมะไม่ค่อยได้ประรคธรรมะกันทำให้เราสูญเสียโอกาสทีนี้ไอ้อาการที่เราไม่่อยคุยธรรมะเนี่ยทาให้ก็ไม่อยากคุยกับคน ราลมาดูดูพระไตรปิฎกดูอัตถกถาดูคมพีไปเรื่อยๆทางานไปเรื่อยๆสบายดีกว่าตั้งข้อสังเกตมานานว่ามาอยู่วัดวรหลายปีนะฮะคือตอนที่คุณสมเด็จเป็นพระาศาสนสุพลเป็นสมเด็จประญาณสองบนไม่เป็นท่างราจะเป็นซัางราชอยู่ก็หลายปีพอสมควรนะตั้งแต่สามสองถึงสามหกก็มีปัญหาเรื่องอะไรไปคุยก็ไปคุยกับท่าน ไปกราบทูลถัรก็มานานนะตั้งแต่ตั้งแต่ต้นๆมาผมมีปัญหาธรรมะลึกซึ้งแล้วก็ไปหาท่านธรรมะที่เกี่ยวกับไหวพริบ ป, ปฏิภาณก็ไปหาหลวงตาท่านธรรมศาสโรเรื่องเกี่ยวกับวินยัยค่อนข้างสลับซับซ้อนอยากประกันทำความเข้าใจเราก็ไปหาท่านจะคุณสนจจคุณยานโรดม อภิปติจาสมบัติเนี่ยพยายามหาความเข้าใจให้อธิบายปฏิจจสมบัติได้เนี่ยเจออาจารย์เราก็ต้องนั่งถกอภิปรายกับอาจารย์อยู่ตั้งหลายปีนมันไปเป็นรอบอธิบายยากทําความเข้าใจยากมากแต่มีอาจารย์ผู้ใหญ่อยู่เยอะที่บางกุฎราชเบียร์หลายในมีอาจารย์เมฆกำไพจาริตอาจารย์สุชีปุญญาณุภาพ อาจารย์วสินินทศระอาจารย์สุขเจริญรัตก็มีหลายท่าน น, นะฮะก็เป็นนักธรรมะพอนั่งปับ๊บอาจารย์เสถียรโพีินันอะไรเนี่ยคือคุยธรรมะกันได้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรคาใจติดใจหรือไม่มีคนเราก็้าห้องสมุด แต่บางทีพอมีโทรศัพท์เนี่ยเราก็ใช้โทรศพัพท์ดึกดืด่นเทคือเนี่ยโทรศัพท์คุยกันคุยธรรมะกันบางทีตั้งห้าทุ่มหกท่มีโ<ม>ทรคุยกันอยู่เลยมันก็ติดอะ่ะแต่เรนนี้มันก็หาคนคุยยากแล้วเ ร, เราอาจจะแก่ขึ้นมานะฮะแล้วก็คนที่พอจะปรึกษาได้พอจะคุยได้ก็ชวนกันตายหมด แต่สรุปว่าเรื่องนี้มันมันมันจะช่วยคือทาให้จิตใจมันมันเกิดแช่มชื่นเบิกบานแล้วก็สบายใจไม่ต้องไม่ต้องคิดมากเพราะบางทีคนนี่ยคนยา ก, ก น, นะต่คนจากพระใจวิดกลนันคนยากเหมือนกันแต่สรุปว่าทั้งหมดเนี่ย เป็นกระบวนการทางจิตที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้จิตมันเดินไปได้แล้วการหลีกเว้นไม่คบหาสมาคมกับคนที่จิตไม่เป็นสมาธินี่ปกติเลยคบหากับคนที่จิตใจหนักแน่นมั่นคงแล้วพิจารณาชานแล้วก็บิโมกอันนี้หมายความมาราบันรู้แล้วก็จิตระลุดพ้นนะฮะ อันนี้ก็แนวจิตตาโนปัตสนาสติปัฏฐานหมายความว่าจิตไปถึงตรงไหนก็พิจารณาตรงนั้นใกล้ๆก็เราเดินทางพิจารณาตรงอื่นได้ไง ก, ก็ก็ดูเฉพาะที่ ท, ที่เราเราเดินทางไปถึงหรือพิจารณาอาหารที่เรากําลังจะรับประทานอาหารที่เรารับประทานอาหารที่เรากําลังเคี้ยวอยู่พิจารณาได้อย่างนั้นแหละจิตมันจะมีลักษณะเช่นเดียวกัน แล้วก็กจิตใจนั้นจะต้องน้อมไปที่สมาธิสัมโพชฌงค์คือมีความพอใจติดใจยินดีในที่สงัดก็อทำมาอย่างนั้นแล้วก็ก็ยากแต่นี้พอพอสมาธิเขาเดินเนี่ยเราจะเห็นว่าอุเบกขาที่จริงก็เป็นองค์ฌานนะะแต่ว่าตอนนี้อุเบกขานี่มันลึกกว่าอุเบกขาเป็นลักษณะของปัญญาซึ่งก็ ตามปกติเขาไม่ค่อยได้พูดกันเท่าหร่รนะไอ้กรนีของคงเบคขาวัานก็เพื่อจ ะ, อะความเข้าใจในในยะในยะคงเบกขาให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นก็น่าจะไปอยู่อีกสักวันหนึ่งก็ผ่านผ่านเรื่องยากไปแต่จะไปเจอริยสัจนะฮะคือโพชุงเนี่ยไม่ใช่คือ ส, สติปัฏฐานสูตรเนี่ยเขาไปจบที่ริยสัจหมายความเป็นบทสรุป บทสรุปมาตัวนี้ที่จริงก็คือมากรกษตนะฮะตัวนี้ก็คือมากรกษะแต่ว่าในสุดมันจะไปสรุปลงลงที่อริยสัจอริยสัจอีกทีหนึ่งก็หมายความเอาทั้งกายทั้งเวทนาทั้งกิจทั้งธรรมมารวมกันอยู่ในอริยสัจเพราะจริงๆแล้วนอกจากไม่ใช่นอกจากก็คือว่าทุกอย่างเป็นอริยสัจ ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งอะไรก็ตามจะอยู่ในเรยสัตสกันแหละแม้นิพานเองก็อยู่ในเรยสัสต้องฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาทายาลัยศรีปฐุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่า น, นี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณาธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี